สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักถ่ายกรรนชอบเล่าคลิปนี้ก็ถึงคิวของเรื่องเล่าจากท่านสมาชิกนะครับและผมก็จะขอยกเรื่องราวจากท่านสมาชิกที่มีนามว่าออสโอโลและเรื่องราวจากท่านออสโอโลจะเป็นยังไงเขาเชิญรับฟังครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นฤดูหนาวอากาศทั่วไปแห้งแลง้ง สายน้ำตามร่องเขาที่มีในป่าภูเขียวมีปริมาณที่เหมาะสมไม่มากและไม่เหือดแห้งจนเกินไปน้ําตกตามลำชีกำลังสวยบรรยากาศเช่นนี้บวกกับการคำนวณทางจันทรคติซึ่งเป็นคืนเดือนมืดสนิทตลอดคืนผมจึงชวนลุงไปสองคมไฟยิงสั ต, ตว์อนกลางคืนเป้าหมายคือครอบซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ในป่าลึกและมีสป่าชุกชุมที่สุดและผมเพิ่งได้ข่าวมาจากคณะสำรวจต้นน้ำชีว่ามีต้นว่ากำลังสุกงอมอยู่3ามต้นบริเวณห้วยลึกลุมก็ตอบตกลงไปด้วยกัน พวกเรามีรถมอเตอร์ไซค์ห้างอยู่คันหนึ่งเป็นพาหนะช่วยลดการเดินเท้าลงได้มากสามารถย่นระยะทางได้ 7-8 กิโลเมตรเรานํารถไปจอดที่ปากเพลียวกําหนดการคือใช้เวลาเพียงหนึ่งวันและ1นคืนจบนั่นคือตอนกลางวันเราเดินให้ถึงครอบตอนกลางคืนระส่องข่มย้อนกลับมาทางบ้านมันก็จะเป็นเวลาที่สว่างพอดีเราก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ห้างกลับเข้าบ้านถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ไม่จัดแจงอุปกรณ์สัมภาระที่จำเป็นอันต้องมีคูมไฟแบตเตอรี่เบียงอาหารที่ใส่น้ำดื่มและที่ขาดไม่ได้คือปืนแก๊ปคนละกระบอก จ, จัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ดาเนินการตามแผนทันทีวันนั้นเราออกเดินทางจากบ้านประมาณ8นาฬิกาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ y ม m เมตร8ดสีของครุษสภาสีขาวรุ่นแรกขันแรกและขันเดียวที่มีอยู่ในบ้านหลนขณะนั้น ก็สอนถ่ายกันไปตามถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นอันเกิดจากรถอีแต็กที่ผู้คนใช้เป็นพาหนะเดินทางไปไร่เหนือนและชีผุดชีด้านเมื่อถึงท่าข้ามน้ําชีก็ช่วยกันหามรถข้ามไปอย่างง่ายดายแล้วก็ขี่ต่อเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่า น, นี่เป็นรถรุ่นที่ดีที่สุดในการนําออกไปหากินบนถนทางวิบากที่ต้องข้ามน้ําขึ้นเขาเพราะมีน้ําหนักเบาหามง่ายเครื่องก็แรงพอถึงตอนขึ้นเนินสูงอีกคนหนึ่งก็ช่วยดันประคองไปเรื่อยๆทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงพวกเราก็ได้เข้าไปเดินอยู่ในร่องเขาอันเป็นสายน้าฉี่เรียบร้อยบรรยากาศยามเช้าสายน้ำฉี่ใสแจ่วและเย็นเยือยมีอะไรดีๆให้ดูเยอะแยะตั้งแต่ฝูงปลานานาชนิดกระรอกกระแตไก่ป่าซึ่งพวกเราใช้เป็นเป้าหญิงซ้อมมือไปเรื่อยๆใช้เป็นสะเบงในมือเที่ยงและมือขําต่อไปสองชั่วโมงผ่านไปพวกเราก็ถึงฉี่ด้านผุดสองแล้วนับว่าใช้เวลาเร็วมาก ยังไม่ทันหิวข้าวเที่ยงจึงตัดสินใจเดินขึ้นเ ข, ขาตามเส้นทางมุ่งหน้าไปครอ้อหากเราไปถึงแต่วันวันเราจะมีโอกาสค้นหาต้นว่าสุกตามที่เราได้รับข้อมูลได้ง่ายขึ้นการเดินป่าครั้งนี้บรรลุถึงเป้าหมายโดยดีไม่มีอุปสรรคใดๆเราเดินผ่านถ้ำผาเขาไปโดยไม่แวะและลงสู่ครอ้อไปพกักและประทานอาหารที่บริเวณน้ำไหลเข้าถ้ำของสายน้ำครบอด้วยเมนูพิเศษคือย่งกระรอกและกระแตกากินอย่างเต็มที่เพื่อตุนกำลังไว้เดินตอนกลางคืน แค่ย่างสองตัวเราสองคนก็กินไม่หมดแล้วรับประทานอาหารเสร็จอาบน้ําและพักผ่อนสักครู่พวกเราก็เดินออกสํารวจป่าหาผลไม้ตามที่ได้ข้อมูลไปจากคณะสํารวจต้นน้ําชีเราตรงไปยังจุดนั้นทันทียิ่งเดินเข้าไปใกล้ ย, ยิ่งตื่นเต้นไม่เห็นฝูงกระรอกที่ดูราวกับว่าทั้งป่ามารวมเป็นอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นงานปาร์ตี้สัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่จริงๆแขกในงานนอกจากกระรอกหลายพันหลากสีแล้วยังมีเ จ, จ้าจะงอยปากโตร้องดังอย่างนกเงือกนกแกง หมาม้าหรือพยาการะรอกนกแก้วนกขุนทองนกโพระดกนกเป้าและนกชนิดเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนพวกเราได้แต่แงนคอดูไม่หญิงให้เสียงปืนดังรบกวนป่าเพราะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคงปล่อยให้งานปาร์ตี้ดำเนินไปตามธรรมชาติจากนั้นเราก็เลือกทำเลที่คิดว่าเหมาะที่สุดที่จะทำซุ้มกุหลาของต้นว่าใช้เวลาเพียง20นาทีก็เสร็จ แล้วต่างคนก็ต่างเข้าไปนั่งในสุ้มเง้มมองงานปาร์ตี้ขึ้นบนอย่างสำราญใจที่นานๆจะได้เห็นสัตว์ต่างๆมารวมตัวกันมากขนาดนี้เสียงลูกว่าหล่นลงพื้นถูกใบไม้แห้งดังกราวๆราเป็นระยะๆะยะบางครั้งมีเสียงกระโดดโครมครามบนกิ่งไม้ใหญ่ก็เฉงเอ๋อดูเป็นข้างและชะนีที่ผัดกันเข้ามาเป็นแขกร่วมงานช่างเป็นภาพที่หาดูยากจริงๆเป้าหมายที่เราหวังไว้คือเจ้าของรอยเท้ากีบที่ปรากฏอยู่ใต้ต้นว่า ซึ่งเราหวังว่าตอนข้ามคงมาร่วมงานนี้ตามเคยในนําแขกผู้อยู่ภาพพื้นดินและออกหากินตอนกลางคืนเจ้าเกงนั่นเองมันมีเพื่อนขนาดเล็กที่จะมาในเวลาไล่เรียกันนั่นก็คือเจ้ากระจงสัตกิีขนาดเล็กที่สุดและเจ้าแม่นครัวหรือที่ชาวบ้านโหล่นเรียกว่าสอกสอยก็จะตามไล่หลังกันมาในเวลาใกล้เคียงดวงอาทิตย์อัสดงและหลีกเเขาความมืดค่อยๆคลืบคลานเข้ามาทีละนิดทีละนิด บรรดาผู้มาร่วมงานที่อยู่บนต้นว่าในช่วงกลางวันค่อยๆหายไปแขกกลางคืนเริ่มมาแทนที่สังเกตได้จากเสียงกระโดดครวมครามบนกิ่งไม้พวกเรานั่งใจจดใจจอเราฟังเสียงคำรามจากปืนแก๊คู่ใจของกันและกันที่แต่ละกระบอกอัดดินปืนถึงคืบกว่าป่าหน้าด้วยรุกโดดขนาดฟิตลำกล้องสายตากว่าไปหมามองหาแขกผ้าพื้นดินท่ามกลางความมืดสลัวหูจับเสียงเคลื่อนไหวในความมืด ในใจลุ้นตลอดเวลาเมื่อไร่จะมาสักทีหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเก้งตัวหนึ่งร้องขึ้นด้วยความตื่นตะนกโปก๊โปกอยู่ในระยะใกล้แต่ระมองไม่เห็นเพราะมีป่าไม้บงังแม้จะพยายามส่งไฟโคมหาแล้วก็ตามมันร้องอยู่ครู่เดียวก็เงียบเสียงเป็นสัญญาณบกุกบอกว่าต่อไปนี้มันและตัวอื่นจะไม่เข้ามาบริเวณนี้อีกแล้วเพราะได้กลิ่นมนุษย์ผู้บุกรุกอย่างเราความหวังที่จะได้เก้งสักตัวพังทลายลงแล้วจะทําอะไรก็รีบทำเพื่อจะได้ออกเดินทางต่อไป มองดูสุ้มของลุงเห็นลำแสงไฟโคมส่องขึ้นข้างบนและตามด้วยเสียงคำรามของปืนแก๊ปดังลั่นป่าปังเจ้าของเป้าหล่นลงพื้นเสียงดังตุ๊บใหญ่ผมก็เอาบ้างไม่มีสายตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงไฟคมอยู่บนต้นว่าด้านที่ผมอยู่เหนี่ยวแกายปืนแกป๊แกปเสียงคำรามลั่นป่าเหมือนกันปังตามด้วยเสียงหล่นลงพื้นเมื่อเข้าไปดูเห็นเป็นกระรอกบินขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่าบางลัว่วส่วนของลุงเป็นอีเห็นหรือเห็นอมหอมขนาดใหญ่ จากนั้นพวกเราก็เก็บเข้าของลุงเป้แล้วก็ออกเดินทางส่องไฟโคมกลับมาถึงบ้านตามแผนการที่วางไว้เวลาขนาดนี้แค่สองทุ่มครึ่งเองยังเหลือเวลาอีกยาวนานกว่าฟ้าจะสางพวกเราเดินตามหลังกันมาใช้โคมไฟส่สองหาสัตว์ตามสองข้างทางมาเรื่อยๆระหว่างทางเรายิงกระจงได้อีกสองตัวอีเห็นอีกตัวรวมกับของเก่าก็เป็น5รายการนับว่าไม่เลวเกือก บ, กบจะได้ยิงเลียงผาเหมือนกันเพราะเพื่อนเล่นหมากระทึบเท้าใส่สิงดังเหมือนจะคุมคู จะส่องไฟดูแล้วไม่พบแสงตากระโดดขึ้นหน้าผาไปจนตามไม่ทันเป็นนั้นว่าไม่ได้ของใหญ่เลยสักตัวเดินส่งสัตว์มานานหลายชั่วโมงไม่ได้อะไรเพิ่มอีกเลยรู้สึกเพลียสายตาพร่ามัวจึงอยากพักผ่อนเต็มทีดูนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาตีหนึง่งเศษจึงชวนกันหยุดพักตั้งทับอยู่บนเขาทางลงมาชีด้านพุดสองห่างจากพุดสองประมาณ1กิโลเมตร ดูจากสภาพพื้นดินไม่เคยมีใครมาตั้งทับมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าระยะทางใกล้ฉี่ด้านผุดสองแล้วสู่ลงไปนอนใกล้แม่น้ําไม่ได้สรุวกกันนั่นเองแต่พวกเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ําดื่มในกระติก10ลิตรยังเหลือเยอะจึงสามารถตั้งทัพได้อย่างสบายแล้วตกลงเลือกบริเวณนี้เป็นที่ตั้งทับนอนหลับชั่วคราวพวกเราช่วยกันหาฟืนมาก่อกองไฟจัดแจงบริเวณให้โล่งเตียนนําเครื่องนอนออกมาปูพื้นก็หล่ตูลงนอนคนละข้างกองไฟ ผมนอนอยู่ด้านบนเนินมีต้นไม้กันไม่ให้กลิ้งลงไปหากองไฟหลงอยู่ด้านล่างพื้นที่ราบเรียบดีกว่าต่างฝ่ายต่างเงียบเพื่อเข้าสู่ห้วงนิทราผ้าขนม้าถูกดึงมาคลุมกายภารกิจอันยาวนานของวันนี้กำลังจะจบสิ้นลงแล้วตุนาฬิกาก่อนจะนอนบอกเวลาเกือบตีสองความเด็ดเนี่ยจากการเดินทางมาไกลบวกกับการแบกสัมภาระหนักและเสียเหงื่อมากทําให้ร่างกายอ่อนเพลียมีอาการเคลิม้มทำท่าจะหลับอย่างง่ายดาย กำลังนอนเคลิ้มไปสักครู่แล้วหูก็แว่วได้ยินเสียงดังกรอบกแกรบของใบไม้แห้งคล้ายกับมีสัตว์หลายๆตัวพร้อมใจกันเดินด่าหน้ามาที่กองไฟที่พวกเรานอนอยู่ผมรีบลุกขึ้นนั่งเพื่อให้แน่ใจว่าหูไม่ได้แว่วไปหันมองดูลุงเห็นนอนยิดยาวเงียบกริบเสียงเดินดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมจึงหันไปควาไฟโคมและปืนแก๊ปมันอยู่ในท่าเตรียมยิงหันไฟและปักระบอกปืนไปทางเป้าด้วยแจระทึกนกปืนถูกง้างขึ้นไว เสียงเดินดังกรับแกรบใกล้ขั้หมาและใกล้ขั้หมาเมื่อได้ระยะยิงตัดสินใจเปิดสวิตไฟทันทีลำแสงไฟโคมและปลายกระบอกปืนกวาดหาเป้าอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเงียบและว่างเปล่าได้แต่ตั้งคำถามในใจนี่มันอะไรกันสังเกตการอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถอดไฟโคมออกจากหัวหวางปืนไว้ข้างลำตัวล้มตัวลงนอนต่อไปโอ้ยกำลังจะหลับมากกินกันได้ผ ม, มรำพึงในใจ นอนต่อไปกำลังจะเคลิ้มแล้บอีกทีอยู่ๆผูม้มาเยืนก็กระโดดมาบนยอดไม้เสียงดังโครมครามคล้ายกระฝูงลิงฝูงข้างไล่หยกล้อ ก, กันไปมาผมต้องฝืนลืมตาขึ้นดูทั้งที่จริงนอนอยู่เธอแรกคิดว่าจะไม่สนใจแต่ผู้มาเยืนก็ไต่ไปมาบนกิ่งไม้มองเห็นกิ่งไม้ไหวยุบยาบในระยะต่ําผมคว้าไฟคมมาติดหัวและปืนแคปมาประทับในท่านอนมองหาเป้าที่ไหวๆเป็นกิ่งไม้เมื่อได้ระยะก็ส่งไฟหาเป้าทันที เงียบและว่างเปล่าเหมือนครั้งแรกชักเอกใจมันอะไรกันหนอผมจะได้นอนไหมเนี่ยมองไปที่ลุงอย่างนอนเหยียดยาวเป็นปกติมองดูนาฬิกาที่ข้อมือก็บอกเวลาตีสองกว่าแล้วอย่างไรก็ต้องนอนให้ได้เพื่อจะได้มือแรงเดินในวันพรุ่งนี้ผมตั้งปณิธานในใจว่าต่อปนีนี้จะไม่เลือกขึ้นมาพบกับความว่างเปล่าอีกและไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็ตามผมให้สัจจากกับตนเองแล้วก็หลุมตัวลงนอนทันทีเวลาค่อยๆล่วงเลยไปเกือบถึงตีสามแล้ว สายตาจะไม่อยากลืมแต่ภายในสมองนี้เกิดความสับสนตั้งคำถามต้นเองไปมามันคืออะไรอะไรมาเล่นตลกกับเราตั้งแต่เราไปป่าล่าสัตว์มาก็หลายปีแล้วไม่เคยมีอะไรมารบกวนขนาดนี้ขณะที่ผมนอนคิดอะไรอยู่นั่นเอง mm. พลันก็มีเสียงวิ่งของสไซขนาดใหญ่ผ่านตัวผมไปอย่างรวดเร็วแม้จะลุกขึ้นขวา้าไฟคมส่องตามหลังไปก็ไม่ทันเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเพรียงแต่สังเกตเห็นเศษใบไม้แห้งที่ปลิวขึ้นปฏิุติอยู่ที่ผ้าของมมาผึ่งน้อยจำนวนหนึ่งเท่านั้น มองดูลุงก็ยังนอนหยีดยาวไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหมือนเคยคนอะไรนอนได้นอนดีผมบนนในใจเหตุการณ์ทุกอย่างกลับเป็นปกติอีกทีเสียงมแมลงขยับปีกสารพัดสำเนียงแทรกเข้ามาในความเงียบของป่าผมหาวอ้าปากกว้างและยาวคล้ายคนปากค้างร่างกายต้องการพักผ่อนเต็มทีแล้วได้นอนส ง, งีบก็ยังดีแล้วก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งจิตกําลังเข้าสู่ห้วงแห่งผวงังก็แว่วได้ยินเสียงดังอื้อเมาแต่ไกล มันเป็นเสียงฝนตกและพายุขนาดใหญ่และจะมาถึงที่เราพักอยู่ในเวลาอีกไม่นานมีหวังเปีกปอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่แนผมลุกขึ้นปลุกลุงให้ตื่นเพื่อจะได้เดินลงไปฉีด้านผุดสองหาใบตองกล้วยมาทำเป็นเพึงพักกันฝนหาฝนตกจริงลุงก็ลุกขึ้นนั่งเงยมองดูฟ้าและบริเวณโดยรอบอย่างพิจารณาแล้วกล่าวว่าฝนอันนี้มันไม่ตกจริงๆรหรอกถึงตกก็ตกไม่นานผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรได้จะนั่งสังเกตการฝนตกหนักมาก เสียงเม็ดฝนล่นใส่ใบไม้แห้งดังกราบกราบรอบบริเวณที่เรานั่งอยู่เพียงแต่มันยังไม่โดนเราประมาณ5นาทีผ่านไปฝนที่คิดว่ามันจะตกหนักอย่างถล่มทลายนั้นหายวับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอนเถอะอย่าไปสนใจมันเลยลุงพูดขึ้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนอย่างหน้าตาเฉยผมนั่งงงอยู่ครู่หนึ่ง<ม>แต่เมื่อไม่มีเพื่อนคุยก็ล้มตัวลงนอนตามที่หลุงบอกความอ่อนเพลียจากการที่ไม่ได้นอนและเวลาล่วงเลยมาเกือบถึงตีห้าแล้ว ทำให้ผมพลอยหลับจริงๆได้งีบหลับประมาณ30นาทีแขกผู้มาเยือนยามราตรีเริ่มสแสดงเดดอีกครั้งคราวนี้ไต่ลงมาตามต้นไม้ที่ผมนอนอิงอยู่เกล็ดของเปลือกไม้ร่วงลงมาถูกผ้าของหมาที่หมอยู่เป็นระยะระยะม้จะรู้สึกตัวแต่ก็ไม่อยากลุกขึ้นเพราะอาการอยากนอนมันซึมซาบทั่วกายเสร็จแล้วกเ <Go! S 1> สียงแขกผู้มาเยือนคำรามจนรู้สึกแสบแก้วหู ผมสะดุ้งตื่นทันทีด้วยความโมโหที่ตนเองไม่ได้นอนทั้งคืนจึงร้องตะโกนขึ้นอย่างสุดเสียงด้วยภาษาตนเองโคตรตื่นยพร้อมขวาไฟคมและปืนลูกขึ้นสองหาตัวทันทีลวงที่นอนได้นอนดีต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงตะโกนของผมขวาไฟคมและปืนลูกขึ้นสองไฟเหมือนกันพวกเราช่วยกันส่องหาตัวเจ้าของเสียงร้องเมื่อตะเกียและผมก็พบสายตาใสาแจวคู่หนึ่งทอประกายสู้แสงไฟคมเปนยอดปังเสียงปืนคำรามก้องป่าลึกในยามดึกสะท้อนหน้าผาไปมาคลายยิ่งปืนหลายนัด จ้าของสายตาคู่นั้นร่วงลงพื้นเสียงดังโครมผมรีบวิ่งเข้าไปหาและใช้ถท้าหยิบติดพื้นดินไว้ก่อนไม่เห็นว่า น, นิ่งแล้วจึงได้หิ้วตัวมาที่กองไฟมันเป็นอีเห็นชนิดหนึ่งตัวไม่ใหญ่นักพรานป่าแถวบ้านหล่นเรียกว่าเห็นอุ้มหูบางเจ้าของสมญานา้ำผีป่าร้อยเสียงใกล้ฟ้าสางแล้วสิงชนีร้องโหยหวนบปนยอดเขาไกล้ป่าแขันกระฉันเสียงแววมาแต่ไกลนาฬิกาที่ข้อมือบอกเวลาตีหครึ่ง นกบาดนานาพันธ์เริ่มส่งเสียงร้องเสียงแส่จนฟังไม่ได้สับสนเนียงท้องฟ้าเบื้องทิศบุรพาสีแดงเรื่อนผมกับลุงเก็บสัมภาระเสร็จก็เริ่มออกเดินทางลงเขาท่ามกลางการร้องทักของฝูงลิงฝูงข้างที่กำลังกระโดดอยู่บนยอดไม้เป็นระยะระยะเราเดินลงมาถึงชีด้านพุดสองประมาณหกนาฬิกาจึงได้ก่อไฟจัดแจงชำละสัตว์ที่เรายิงมาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมทำการหุงหาอาหารข้าวปลารับประธาน เสร็จแล้วจึงเดินทางลงมาตามลําน้ําฉีเพื่อกลับบ้านระหว่างเดินกลับผมถามลุงว่าหลับได้ลงหรือไม่ได้หลับอะไรเกิดขึ้นลุงเห็นหมดแค่อยากดูว่าน้าจะกลัวหรื่องไม่เท่านั้นเองลุงตอบลุงเรียกผมว่าน้าเพราะเป็นคู่เคยกันแล้วก็เฉลยปัญหาเมื่อคืนให้ฟังนี่แหละเข้าเรียกว่าผีพงค้างพรานส่วนใหญ่จะย้ายทับนหนีไปเพราะนอนไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อคืนนี้ผมได้ฟังก็ร้องอ๋อทันทีนี่หรือผีพงค้าง จากนั้นลุง ก, ก็เล่าเรื่องที่พรานคนอื่นๆประสบมาให้ฟังแต่เป็นเรื่องที่ชวนชงนสนเททั้งนั้นซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ในสังสีบุรินทร์นายกิติศักดิ์จันเขียวผู้เขียนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่องผีภพงข้างผู้ประสบเหตุในสังสีบุรินทร์ก็คือลุงในเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดไปและอีกท่านหนึ่งคือนายกิติศักดิ์จันเขียวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดที่จังหวัดชายภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2529 อคือชื่อสถานที่ที่มีน้ําไหลตลอดปีอยู่ระหว่างสันปันน้ำจังหวัดชายภูมิกับจังหวัดเพชรบูรีกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวที่มีสัตว์ป่าทุกชุมสายน้ํำไหลเข้าถ้ำและพุดออกมาเป็นชีบูุชีด้านอยู่ห่างจากบ้านโหลนประมาณ15กิโเมตรผีป่าร้อยเสียงเป็นสมญาณน้าที่พ ร, รานทางบ้านโหลนเรียกอีกเห็นชนิดหนึ่งคล้ายเห็นอุ้มแต่ใบหูใหญ่น้ําหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัมบางก็เรียกเห็นอุ้มหูบาง บางก็เรียกเห็นอ้อมเครือชอบมาดูกองไฟเวลามีคนไปพักแรมในป่าส่งเสียงร้องสารพัดเสียงเช่นคล้ายเสียงคนร้องไห้อย่างหวยหวนคล้ายเสียงเด็กร้องเรียกพ่อแม่คล้ายเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดคล้ายกับคนขากเสมหะส่วนมากมักจะถูกยิงตอนที่มาร้องอยู่ใกล้ๆที่ผ้าของคนหรือบางครั้งคนที่ไม่รู้คิดว่าเป็นผีป่าก็จะย้ายทับหนีไปจากบริเวณนั้นทันทีครับแล้วเรื่องราวจากคุณออสโอโลก็จบลง ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแชร์เรื่องราวมาให้ผมได้ถ่ายทอดและหาก ว, ว่าการถ่ายทอดออกไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับอีกนิดหนึ่งครับแล้วก็เรื่องราวของพรานป่าที่ผมได้ถ่ายทอดให้ฟังกันนั่นก็คือวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนนะครับที่การล่าจะเกิดขึ้นก็เพื่อหาอาหารกินเพื่อเลี้ยงครอบครัวของตนเองหรือไม่ก็เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น สัตว์ป่านในสมัยนั้นก็ยังมีมากมายแต่นับปันถึงทุกวันนี้มนุษย์โลกเรามนุษย์ผู้ประเสริฐอย่างเราเราได้แย่งชิงผืนแผ่นดินของเพื่อนร่วมโลกไปแล้วมากมายตามการขยายตัวของมนุษย์เราและในยุคนี้พวกเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปล่าสัตว์นะครับและการออกล่าสัตว์โดยขาดจิตสํานึกเพื่อเป็นเกมกีฬาจึงไม่ใช่เหตุที่มนุษย์ผู้ประเสริฐควรกระทํารู้สึกว่าผมจะพูดมากไปแล้วเอาเป็นว่า